พุทธธรรมฉบับรับขยายสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ปออประยุตโตตอนว่าด้วยเรื่องชีวิตคืออะไรบทที่หนึ่งขันหหนังสือพุทธธรรมเป็นหนังสือที่ประมวลข้อธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกและคำผีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสรุปจัดเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบแนะนำให้ฟังตามลาดับตั้งแต่บทเริ่มต้นพุทธธรรมสิ่งที่ควรเข้าใจก่อน ก่อนเป็นบทนำสู่พุทธธรรมและพุทธธรรมเฉพาะภาพรวมแล้วจึงมาเป็นบทที่หนึ่งคือเรื่องขันห้านี้ก่อนจะฟังบทต่อไปตามลำดับนะครับจัดทาโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตรประภัยจิตหันกลางอูรินลิมรัตนเมคาและครอบครัวจันทรามิตรร่วมจัดทำโดยรติยารุ่งเรืองสารวิชยาดามุ่งวิชาภัทิราชังพินิษ์ครอบครัวยองเอ็น ราพรจานทนินและครอบครัวอธิสกุลร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องนะครับสัพพทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับ